วันนี้ก็บรันราพี่น้องลูกจิตลูกหาทั้งหลายมามาเยี่ยมมาถวายทยทานเนี่ยก็เป็นโอกาสอันนี้งามที่เราจะได้ฟังอ่านฟังธรรมสนทนาปราศัยข้ออัดข้อธรรมที่เป็นข้อข้องใจตรงไหนก็จะได้เข้าอกเข้าใจต่อกันไปนะนี่พระเนรเรามีจํานวนมากพระนี่แหละเป็นผู้ที่เป็นผู้นําของศาสนาเป็นต้นมา ตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรามาก็เป็นสาวกสาวกก็ตั้งใจปฏิบัติจริงจริงบรรลุมรรคผลนิพพานจนกลายเป็นสาวกอหรหันเป็นสังฆังสันนิษฐานของโลกทั้งหลายทั่ ว, ว, วไปจนกระทั่งถึงทุกวนันนี้เพราะพระเป็นผู้นำพระนั่นแหละเป็นสาคัญมากในทางศาสนาเพราะพระเป็นแนวหน้า เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพผานอย่างแท้จริงและปฏิบัติตนเต็มอัดเต็มทำเต็มทัศน์กำลังความสามารถของตนด้วยกันผลก็ปรากฏขึ้นดังครั้งกุศการท่านครั้งกุศการกับสมัยปัจจุบันนี้ทำเป็นอาการลีโกอืให้ผลเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันหมดจึงเรียกว่าอาการลีโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลามาทำลายได้เลย ขอให้มีการปฏิบัติเกิดจังพระพุทธเจ้าประทานพราว่าแจบพระอนุนซึ่งไปทูลถามทูลขอดาชนาพระองค์ให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานานพระองค์ก็บอกว่าเราได้เทศนาว่าการไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในตัวของเราถ้าพูดเป็นภาษาโลกเราก็เรียกว่ายังเหลือแต่กองกระดูกเท่านั้นแหละส่วนอัต่วนธรรมเราได้เทศนาว่าการไม่หมดไม่มีเลเหลือแล้ว จากนั้นมาก็รวมลวงว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายแทนเราตาสาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือทาเหล่า น, นี้เป็นส่วขาดสามที่ท่านตรัสไว้ชอบเกียบร้อยแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติตามฉะนั้นจะมีแง่หนักเบาแค่ไหนในการปฏิบัติของตนผลจะได้ขึ้นมาตามเหตุนั่นแหลนี่ท่านทรงประทาน อเอพระโอวาทอันนี้ไว้คือมอบศาสดาไว้กับสาธนธรรมคือพระธรรมและพระวินัยเป็นองค์แทนของศาสดาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางแทนองค์ศาสดาเวลาท่านไปนี้ผ่านไปแล้วพวันเราขอยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในการระลึกถึงองค์ท่านภายในจิตใจของเรา อยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับเราได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าคือทำหลักวินยัยผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกำหลักทำหลักวินยัยอยู่ตลอดไปก็เท่ากับผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดไปและจะตักดวงอมกุลนิพพานเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธการไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะครั้งพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้ จะดําเนินไปตามอดธรรมที่ทรงแสดงไว้นี้ด้วยกันหมด <c oughs> มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นจากการแสดงการเกิดขึ้นจากธรรมทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังศึกษาปรนิพกับธรรมทั้งหลายเข้ามาสู่หัวใจของเราแล้วให้หน้าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ <c oughs> แต่เพราะอย่างนี้พระเราให้มุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบตัติอย่าสนใจกับกิจการงานอะไรในโลกสงสารเป็นเรื่องของเขา เรื่องของเรามีแต่อาจมีแต่ธรรมเต็มไปในความเคลื่อนไหวของเราออกมาจากใจใจก็เป็นธรรมเคลื่อนไหวออกมาจากใจก็เป็นธรรมเป็นมินายตลอดไปมีฮิโธตระประจำตัวความสะดุ้งครัวต่อบาตตัวกรรมอยู่ตลอดเวลาสังรวมตนอยู่เสมอปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามอรธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนขวีนายนั้นเป็นรั้วกัน้น สองฝากทางห้ามให้ข้ามผ่ อ, อไปใครข้ามพวิเนยออกไปเขาเรียกวออกนอกรู้นอกทางจะตกเหวตกบ่อโดยไถ่เดียวเท่านั้นไม่มีทางที่จะเจอมากุลนิพานได้ผู้ปฏิบัติตามหลักพระวิเนยสองฝากทางไม่ข้ามไม่เกินเดินตามธรรมสตะตามธรรมก็สิสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเหล่านี้เป็นต้น นี่คือทำเนียกว่าความภาคเพียนทางด้านจิตใจของเราอยู่โดยเสมอๆเสมอด้วยสติเป็นเครื่องกำกับแล้วก็เท่ากับเรานี่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาและมรรคนิพพานก็อยู่กับตรงนี้ไม่อยู่ตรงไหนอย่าไปเข้าใจว่านิพพานอยู่ที่โน้นสวรรค์อยู่ที่นี่อยู่ที่ผู้บำเพ็ญนี่แหละจะเป็นผู้เจอมรรคนิพพานเจอที่ผู้ปฏิบัติคือจิตของเรานี่แหละ ซากฟอกไปโดยลำดับควรจะทำขั้นใดมากผนิพานจะเป็นขึ้นมาโดยลำดบับลำดาภายในจิตใจของเราให้พากันหน้าตัาง้งากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ <c oughs> หน้าฝ่ายปฏิบัติของเรานี่แหละ <c oughs> เป็นฝ่ายที่ไว้ใจได้ทุกวันนี้ <c oughs> เราไม่ยกได้ย่อได้เหยียบสถานที่ใดบุคคลผู้ใด <c oughs> เราพูดตำลักของศาสนาที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้แล้วว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรสุปฏิปันโนก็คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามหลักธรรมหลักวินัยอุชุตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่โลกามิอะไรเข้ามามยุ่ยแยหรือหลอกรงต่างๆไม่หวั่นไม่ไหวญาญาปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อความรู้แจง้งเห็นจริงในธรรมตั้งหลายมีมรรคผลนิพพานเป็นรับกันสามีกี่ปฏิปันโนปฏิบัติสมควร หน้ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่โลกสงสารใครได้มองเห็นพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติด้วยธรรมสองสามข้อนี่แล้วจะเป็นผู้ร่มเย็นภานาจิตใจ <c oughs> นี่แหละอย่างนั้นไปท่านก็ว่าเอสะแล้วกว่โตสาวกสังโฆคือท่านเหล่านี้เองเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอืมยะปุญญาเขตตางโลกะสะท่านเหล่านี้แลจะเป็นบุญญาเขต เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ภัยบุญที่สุดไปนั้นภายในองค์ท่านผู้ใดมาบำเพ็ญมากน้อยได้ผลเป็นที่พอใจเหมือนกับเนื้อนาที่เป็นมีปุ๋ยเต็มอยู่ในเนื้อนาที่ดินดีปลูกสิ่งใดขึ้นมาก็มีผลงอกงามภัยบุญขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านผู้ใดวาน ทานการบริจาคลงไปถึงเนื้อนาบุญของโลกก็คือพระเจ้าพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้แล้วจะได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาไปเหมือนกับเขาทำนาที่มีปุ๋ยเต็มตัวอยู่ภายในนา น, า น, นแล้วดอกผลก็เป็นที่พอใจของผู้ปลูกผู้หว่านลงไป เขาได้เห็นพระเจ้าประสงค์เขาก็ยินดีแล้วขอใจแล้วเพราะพระเจ้าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญไม่ใช่เนื้อนาบาปเนื้อนาโรกเอเวจีอย่างนั้นเบทมไปนะพระสงค์เป็นเนื้อนาบุญก็มีเป็นเนื้อนาบาปก็มีทุกวันนี้มันจะกลายเป็นเนื้อนาบาปมากยิ่งกว่าเนื้อนาบุญมองเห็นพระจนจะมองดูกันไม่ได้แล้วนะเวลานี้เพราะฉะนั้นเราอยากให้เป็นเช่นนั้น มองเห็นกันให้เห็นด้วยความยิ่งแย้มแจ่มใสสดชื่นด้วยศีลด้วยธรรมในการปฏิบัติดีของกันและกันแลการสนทนาปราศัยเรื่องอัดเรื่องธรรมก็เป็นที่ปลื้ม อ, อกปลื้มใจเพิ่มกํลาลังจิตใจต่อกันและกันจากการ <c oughs> สนทนาปราศัยซึ่งกันและกันให้เป็นพระสงฆ์อย่างนั้นนะนีนะ่พระสงฆ์เหล่านี้จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกตลอดไปคําว่าเนื้อนาบุญ น, นี้ไม่ เรียกว่าอากาลิโกเหมือนกันไม่มีการสถานที่เวลาเวลาพอขอให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบัตรธรรมนี่ก็แล้วกันนะกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วธรรมก็อยู่ภายในจิตใจํารมะกิเลสออกจากจิตใจด้วยอดด้วยธรรมชนิดเดียวกันเครื่องแก้กิเลสคือธรรมธรรมพระพุทธเจ้าแก้กิเลสในครั้งนั้นฉันใดครั้งธรรมข้อสมัยปัจจุบันนี้ก็แก้กิเลส เช่นเดียวกันนั้นไม่ผิดแปลกจากกันจึงขอให้พากันนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนให้ดีด้านการคิดจารพนาเป็นสําคัญมากนะเรื่องคิตจารพนานี้ขอให้ทุกๆท่านมีความใกล้ชิดสนิทติดพันกับสติให้ดีการภาวนาถือสติเป็นพื้นฐานถ้าสติไม่ดีผลที่ได้ก็เลื่อนลอยๆถ้าสติดีแล้วผลเข้มข้นเข้มข้นอยู่ภายใน สดชื่นสดชื่นมีรถมีชาติตลอดเวลายิตที่ยังตั้งตัวไม่ได้สติจับเข้าไปกับคําบุญกรรมเพื่อเกาะเพื่อให้จิตเกาะคําคบุญกรรมสติติดแนบกันอยู่แล้วจะตั้งตัวได้เป็นความสงบเย็นใจนี่เมื่อตั้งตัวไปตลอดด้วยสติสตังแล้วความสงบนี่จะมีความแน่นหนามมั่นคงยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคือความแน่นหนามมั่นคงขอ ง, ของใจ ธรรมชาคือความสงบของใจในขั้นเดิมแรกโดยอาศัยยิตาภาวนามีสติเป็นพื้นฐานนำคำบุญกรรมมาติดแนบกับตนกับใจของเราไม่คิดปรุงแต่งไปเรเรื่องใดความคิดความปรุงของจิตนั่นแลเป็นทางของกิเลสมันไหลออกจากความคิดปรุงท่านว่าอวิชชาปจียาสร้างฆารานอวิชชาเป็นเครื่องหนุนให ดันจิตออกมาให้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากมีประเภทไม่มีประมาณจากวิชาที่พาให้อยากสังขารก็คิดเพื่อความอยากความทะเยอทยานไม่อยู่ไม่ถอยนี่เรามีภาวนาอยู่ใน จ, ใจิตใจปิดช่องนี้ให้ดีอย่าให้สังขารของทิเลสนี้ออกให้เป็นสังขารของธรรมคือคําบริกรรมที่จะวัดสังขารของธรรมเป็นทางเบิกกว้างเพื่อมรกรุณิพาตออก สติจับให้ดีสติติดแนบอยู่กับตนท่านทั้งหลายอย่าไปคิดอดีตอนาคตที่ไหนยิ่งกว่าปัจจุบันแล้วว่ากิเลสจะกิดฟัดกันอยู่ภายในจิตใจนี้เอาตรงนี้เอาปัจจุบันมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจที่ยังมีความฟุ้งเฟอ้อเหิมจะสง บ, บลงได้ไม่สงสัยไม่พ้นจากสาติไปได้สตินี้เป็นธรรมที่รุนแรงเป็นธรรมที่สำคัญมากที่สุดแม้กิเลสจะเป็นขึ้นครับ เหมือนกับทะเลหลวงก็ตามก็ตามนะกิเลสนี่กั้นไว้ได้เช่นสังขารมันอยากคิดอยากปรุงดันออกมาดันออกมาเหมือนคลื่นทะเลหลวงแต่สตินี่ปิดปิดช่องให้มันออกมันออกไม่ได้เมื่อมันออกไม่ได้กิเลสก็ทํางานไม่ได้แล้วไม่เผาหัวใจเราเมื่อมันออกมันจะมามันก็ไปก้วนกระสือไฟมาเผาหัวใจเราเมื่อสติกับคําบุญกรรมติดกับจิตสําหรับผู้เริ่มบําเพ็ญนะสติกับจิต กับคบําบริกรรมติดกันแล้วสังขารอันนี้จะไม่เกิดเกิดไม่ได้เมื่อสังขารเกิดไม่ได้กิเลส ก, ก็เกิดไม่ได้ถูกขังอยู่ภายในจิตใจที่เอาธรรมะกั้นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดของใสเหมือนสารส้มแปล้งลงในน้ำที่ไม่สะอาดให้สะอาดขึ้นมานี่จิตของเรามันขุ่นมัวไปด้วยกิเลส ก, ก็เอาสารส้มคือคําบริกรรมนี้ สติเป็นเครื่องตํากับบังคับเอาไว้แล้วจิตของเราจะเริ่มสงบเมื่อไม่มีที่เรศตัวสังขารนี่ตัวสังขา ร, ารเข้ามาขวนใจแล้วจิตจะสงบเพราะคำบุญกรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับจิตที่ฟุ้งซ่านํากา ร, ารให้สงบลงโดยถ่ายเดียวเนี่ยสติกับคำบุญกรรมจเจริญขึ้นมามากเท่าไหร่นี่เป็นธรรมที่ระงับดับกิเรสทั้งหลายที่มันก่อควน แล้วจิตก็สงบลงสงบลงด้วยด้วยดีต่อไปนั้นจาจิตก็จากสงบนี้แล้วเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามันคงของใจที่แรกมันอยากคิดอยากปรุงอยู่ตลอดเวลาเอาสังขารที่ว่าคําบริกรรมนี่เป็นสังขารฝ่ายทมลังอับสังขารฝ่า ย, ยกิเลสที่มันจะออกไม่ให้ออกดันกันไว้ต่อไปจิตก็สงบร่มเย็นขึ้นมาร่มเย็นขึ้นมานี่แหละใจเมื่อมีผู้ราาัลกกาสติ เป็นเครื่องอลากาคา้าค้าบริการเป็นเครื่องอลาก า, าแล้วจีตจจสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาติดต่อสื่อเนื่องโดยตรดับก็กลายเป็นจิตที่เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นไปความคิดควาปรุงทั้งหลายที่เคยคิดอยากคิดอยากปรุงแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ลากได้ฐานระงับดับไปสังขารเป็นสมุ ท, ทยัยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมีอํานาจที่จะระงับดับสังขารทั้งหลายที่อยากปรุงอยากแตดนั้นนี้ ไม่มีในเวลาสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงมีออกมาเล็กๆน้อยๆก็เป็นความดาคานไม่อยากชี้อยากปรงเพราะจิตสวยความสงบเย็นใจอยู่นั้นพอแล้วเพราะฉะนั่นคู่ที่จิตเป็นสมาธิจึงมา ก, กติดสมาธิไม่หยอกอยากออกทางด้านปัญญาอยู่ในสมาธิคือเอะกกตเกตาจิตเอะกะตาลมมีอารมณ์อันเดียวเอกกิตมีจิตดวงเดียวรู้เด่น อยู่เพียงเท่านี้อยู่ได้ทั้งวันนั่งหรือเดินอยู่ที่ไหนได้สบายทั้งนั้นผู้มีจิตเป็นสมาธิจพยงไม่อยากคิดอยากปรุงนั่นแต่ ก, ก่อนความคิดปรุงนี้มันยากที่สุดก่อควรที่สุดพอจิตมีความสงบแล้วกรง่าความคิดทั้งหลายที่เป็นสมุทัยลงได้นี่อันหนึ่งนะพอจิตสงบลงไปเป็นสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตาม เป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาทางด้านปัญญาจากสมาธิแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความคลี่คลายพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ของเขาของเราตัวโลกยินแดนแยกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบสุะาษุพังแล้วแต่ใครจะมีความแยบคายในทางไหนอันนี้เป็นอุบายวิธีแต่ละแต่ละลายลายที่จะออกพิจารณาตัวเองทางด้านปัญญาเพราะปัญญานี่กว้างขวางมาก แน้วแต่ใครจะพิจารณาทางด้านใดของปัญญาถนัดอะไรในสกุลนาการนี้มันถนัดอะไรผล<ม>ผลเลี้ันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจับไจเส้นฝุ่ทั้งหมดนี้มันถนัดอะไรให้พิจารณางให้มากแล้วมันจะลูกดามกันไปหมดทั่วสรนหาผ่งร่างกายทั้งของเขาของเหล่านั่นแหละแล้วจิตจะค่อยคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงเข้ามาโดยลําดับผ้าละคือความนหนักหน่วงช่วงใจจากอุปทานก็ เบาลงไปเบาลงไปที <c oughs> นี้ปัญญาเราพิจารณาเรื่อยเวลากิจเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วห้อย้อนเข้ามาสู่สมาธิอบรมสมาธิให้แน่นหนามั่นคงอยู่ตามเดิมเข้าสู่ความสงบนี่เรียกว่าพักงานพักงานก็พักกับสมาธิหยุดงานไม่ยุ่งไม่คิดไม่พูงเรื่องเราอะไรทั้งหมดแม้ปัญญาก็ไม่ใช้เวลาเข้าสู่สมาธิเรียกว่าพักงาน ทีนี้พอจิตใจเดือพัก ง, งานแล้วมีความช่างอาผ่าเผยกระพี้กระเป๋าเต็มอยู่ภายในจิตนั่นแหละหมดเหมือนถอดเสี้ยนถอนน้ำว่างจากการจากงานทั้งหมดนี้จิตสเสวยความสุขในสมาธิจากการพัก ง, งานพอหลังจากนั้นจิตมีกำลังแล้วให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิให้ตั้งหน้าตั้งตาทําบัญญาพิจินตรพิจานาให้ ด้วยความแ ย, ยบคายการจะแ ย, ยบคายในทางใดทางใดให้พิจารณาซ้ำๆ ซ, ซากๆตลกหลายตลกทบทวนเหมือนเขาคราดนาคลาดไปคลาดมาจนกระทั่งมูลคลาดมูลไถนั้นแหลกละเอียดทวนแกการปักดําแล้วเขาก็ปักดําอันนี้การพริจารณาทางด้านปัญญาของเราก็เหมือนกันพิจารณาทบทวนหลายครั้งหลายห่มนยาวว่าได้พิจารณาแล้วผ่านไปแล้วอย่าเอาอย่างนั้นมาใช้นะเอาความชํานาญ เอาความคล่องแคลวว่องไวในการพิจารณาเพื่อแก้ไ ข, ขไกิเลสเพราะคล่องแคล่วใจกิเลสจะค่อยเบาบางไปเบาบางไปเอานี้มาเป็นประมาณหรือเมืเ่อเหนื่อยเหนื่อยไม่ละทางปัญญาให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิหและพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอสุภัสุภสัภงนี้พิสดารมากนะฝากไว้ตั้งแต่เลื่อนต้นต้นต้นห้นนืหรือไม้ทั้งดุนเท่านั้นนะ่ยให้ทา่ทานทั้งหลายนาไปเจี่ยนในนาไปถาก เรานำไปเลื่อยไปใส่กบลบเหลี่ยมเอาเองจรนายเอาเองอยากทาเป็นอะไรอะไรจากไม้ท่อนนี้ก็ให้ไปทําเองนี่ปัญญาบอกไว้กลางๆอย่างนี้เลยจะแยกแยะไปทางไหนการพิจนารณาทางด้านปัญญานี้กว้างขวามขงมากนะใครมีนิสัยอย่างไงจะพินนี่ณาอานุสุภาสุปังเป็นหนังเป็นเนื้ อ, เ ป, น เ, นอเป็นเอ็นเป็นกระดูกมันเด่นในทางไหนพิจารณานั้นซ้าําๆสากๆแล้วกระจายไปอวัยวะทางไหน จนกลายเป็นของเดียวอันเดียวกันหมดสุภาสุฟังสุ ข, ขังอริจังลาตาอยู่ในนี้หมดแล้วมันค่อยปล่อยไปปล่อยไปงานที่งานสำคัญมากนะงานเรื่องร่างกายสำคัญมากทีเดียวเป็นงานที่หนักเรียกว่างานตะลุมบอลกันอย่างหนาพอผ่านจากงานของร่างกายนี่แล้วเปน็นกลายเป็นงานอัตโนมัติ <c oughs> คือความเพียรอัตโนมัติขึ้นนาปล่อยวางส่วนร่างกาย เมื่อปล่อยว่างส่วนรน่างกายหมดแล้วมีแต่นามนธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิยายพิยนาต่อไปนี่ท่านสลจะ จ, จะทราบเองเราพูดให้เพียงเป็นหัวข้อหัวข้อฉะนั้นที่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องพิรนาทางด้านปัญญาเดี่ยวก็บอุภ้าสุภาพทุกข่างมนิจังมัตาเอาให้คล่องตัวนะไปที่ไหนมองเห็นอะไรอะไรให้เป็นเหมือนกับเราเห็นตัวของเรา มองเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกมองข้างนอกข้างในเป็นเหมือนกันหมดนี่เรียกว่าชำนาญเข้าไปชำนาญเข้าไปเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วจิตใจมันจะหดเข้าไปสู่ตัวเองในการพิจารณาอสุภาสุภังเมื่อหดเข้าไปสู่ตัวสู่ตัวเองเห็นโทษของตัวเองที่วาดภาพต่างๆทั้งสุภาษุภางอสุภาสุภังทุขังนิจังลาตาแล้วปล่อยอสุภาษุภังสุขังจ่าภายนอกมาเป็นนิจังทุขังลาตามีออสุภาสุภังภายใน แนวพิจารณานี้ก็ค่อยดับลงไปตั้งอันนี้เป็นการฝึกซ้อมจากอรุภะส่วนหยาบคือร่างกายมาเป็นสุภาษส่วนหยาบส่วนละเอียดเข้าสู่ร่างกายตั้งขึ้นมาพิจารณาแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตย้อนเข้ามาสู่จิตจิตเป็นอรูปะเองทั้งสุภาทั้งอรูปะทั้งอวิจังทุกขังต า, าเสียเงเมื่อจิตเขา้ามาเป็นก็ปล่อยวางข้างนอกมาพิจารณาข้างในของตอนเองนี่เรียกว่าปัญญา เมื่อละเอียดแล้วจะเข้ามาสู่ใจไม่ไปไหนนะเข้ามาสู่ใจรอกเข้าหมดแล้วปล่อยวางที่นี่นั่นละ่ะจากนั้นก็มีจารมาธรรมล้วนๆพิจารณาเจตนาสัญญาสร้างข่าวเหยื่อแล้วเราก็ฝึกซ้อมมา น, นี่แหละอรสุภาพสุพังณที่มันไหลเข้ามาสู่ใจแล้วให้มันช่ําชองให้พล่องแคล่วว่องไวสิ่งเหล่า น, นี้ก็จะค่อยดับไปรวดเร็วรวดเร็วตั้งขึ้นมาภาพต่งตางๆจะพิจารณาเป็นอรสุภาพสุพรรณทุกขั ง, งนี้จะไม่ได้ไม่ทัน พอตั้งถึงมาแล้วดับตั้งขึ้นมาแล้วดับพิจารณาไม่ทันมันจ้ะนี่เรียกว่ามันผ่านไปโดยลําดับอย่างนี้ให้พาตันพิจารณาเมื่อจากนั้นแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดนั่นแหละพอปล่อยอสุภาสุภังอั น, นี้ภายนอกปล่อยอสุภาสุภังภายในจิตก็ว่างนี่ละการปฏิบัติภาวนาขอให้ทุกๆท่านได้นาไปปฏิบัติทุกคนถ้าเดินตามนี้แล้วไม่ผิดยังไงจะต้องเป็นผู้ทรงมรรคทรงผล ภายในจิตใจของเราขอให้เดินตามนี้เถอะการแสดงนี้ผมไม่สงสัยในการแสดงถูกต้องพยายามไปโดยตลอดเพราะได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วจึงขอให้พระลูกพันล้านนําไปปฏิบัติสนใจทางด้านกิตติพนายมากกว่าสิ่งอื่นใดอย่าให้งานของโลกสงสารเข้ามาแทรกเข้าวุ่นวายกับงานกิตติพนัยของเราจะเสียไปได้อย่างง่ายได้เพราะงานของโลกสงสารคืองานของกิเร มันละเอียดแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายทำให้แหลกเหลวบไปได้ถ้าผู้สติปัญญาไม่ทันเพราะฉะนั hmm. ้นจึงบอกไว้ต้นตั้งแต่ บ, บัดนี้อย่ายุ่งต่อ ง, งานของโลกมันจะชิดเรื่องโลกเรื่องของสารอรันใดปัดออกปั ด, ดออกนั่นเป็นงานวัฏวนงานเกิดงานตายกองกันงานที่เราแก้สิ่ ง, งนี้เป็นงานมิวัตะที่จะสลัดปัดทิ้งคำ ตายกองกันนี่ออกเป็นนิพพานขึ้นมาสวดอนดอนภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินะพากันตั้งอกตั้งใจอย่างนี้อินตจาะเป็นในเวลานี้มันจะไม่มีแล้วนะผู้ทรงมรรคท่งผลเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติอ่านหนังสือก็อยู่ในคำพี่กลายเป็นนอนแทะกระดาษไปหมดไม่มีใครสนใจจะนํามาปฏิบัติสุดท้ายก็เอาความรู้ที่เรียนมาจํามานั้นว่าเป็นมรรคเป็นผลตะเองทั้งๆัที่ไม่เป็นมรรคเป็นผล แล้วแก้กิเลสตัวเดียวก็มาได้จากความจําอืำ ม, มันก็เหมาอานั้นว่าเป็นมรรคเป็นผลเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ก็เอาชั้นนั้นชั้นนี้มาเป็นมรรคเป็นผลกิเลสไม่ฉลองกกอลอกเบิกแม้แต่ตัวเดียวมันมว่ากันรวมๆแรงๆสาคัญกันรงแรงเท่านั้นเองการปฏิบัตินี้พิจนางนายนมันรู้จริงๆรู้ภายในจิตใจดังที่แส ด, ดงมาแล้วเนี่ยจะเป็นสันที่ิโกสั้นทีโก รู้จำเพาะจำพอเะ เ, เข้าไปโดยลำดับละเอียกเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงรู้ความจำเป็นอย่างหนึ่งที่เราเรียนมาเป็นความจำนำเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงขึ้นมาถ้ามีแต่ความจำอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นโนขุนทองหรือกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปเลยเพราะไม่สนใจปฏิบัติท่านนาที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วมาปฏิบัติก็กลายเป็นความจริงขึ้นมา แล้วทรงมากทรงผลได้จากความจริงคือภาคปฏิบัตินี้แหละยิงขอให้ท่านทั้งหลายจําเอาไว้แล้วนํมาปปฏิบัติให ส, สดสดร้อนๆทุกขนทุกอง น, นะอย่าไปคิดช่วยชานะามามักผนิพพานคือล่าสมัยไปแล้วตัวเองนั่นแหละตัวคือตัวล่าสมัยนไปลบล้างมักผนิพพานที่ศาสด า, าองค์เอกจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วให้เป็นของจริงของล่าสมัยเพราะเราหมดข่าหมดอาการสิ่งทั้งหลายกาย มันหมดข้าวหมดราคาเหมือนเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นเครื่องประดับประดับคนตายประดับอลัยมันก็ประดับคนตายมีความหมายอะไรอันนี้คนตายทั้งเป็นพระตายทั้งเป็นไม่มีความหมายในธรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่กด <c oughs> ประโยชนอะไรไ ม, มากันจามวันวันนี้พูดย่างตอนนี้นะขอความสวัสดีจงมีเจ้บรรดาปีน้องทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถอ <c oughs>